ปัญานุโลม 2. สังขยาวาระสี่ส okay. ิห้าเหตุปัจจัยมีสิบเจดวาระอรมณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมณานตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระนิจยปัจจัยมีสิบเจดวาระ อุปาณิยัตปัจจัยมีเจวาระปุเรชาติปัจจัยมีเจวาระอาเตวณปัจจัยมีเจวาระกรรมปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมี17วาระอินทริยปัจจัยมี17วาระชานะปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยมี17วาระสัมประยุติปัจจัยมีเจวาระ วิปยุตตาปัใจใยมีสิบเจ็ดวาระอาธิปัจใจมีสิบเจ็ดวาระนัตถิปัจใจมีเจ็ดวาระวิคตะปัจใจมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจใจมีสิบเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจสี่สิบหก สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสด า, าสปฏิมักทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาทำขันที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยวมักเบื้องบนาสามทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยวมักเบื้องบนสามให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้น เพราะน nah ้าเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหพโรคด้วยอุทจจะทำขันที่สฉโรคด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมทีท่ททททไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน nah ้าเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะ ซึงไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะหาทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาปูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญยาสัตยพรม จากโควิญญาณทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอหตทุกะซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำหาทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนเหตุตัปัจจัยได้แก่โมหะที่สหร baskets, โคตด้วยวิจิกิจจาทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่อมผลสามทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อมผลสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตัปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยอุทัจจาทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสี่ิเจ็ด สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและทำหาเทียวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มักคเบื้องบนสาม ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรึกเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกและมรึกเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรคตด้วยอุทจจะและทำหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นน้าอารมมณปัจจัย48สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกและมรึกเบื้องบนสาม ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัอารรมะปัจจัยได้แก่จิตจะสมุทฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอาธรรมปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูปทำขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหาทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรม4ีสิบ้าสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหนอาอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอธิปฏิปัจจัยเป็นต้นห้าสิสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยเพราะณอันันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยณปูเรชาตปัจจัยห้าสเดสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น พระณบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อมบนสามทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น พระนบเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น52สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิ ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตต ส, สมุทฐานรูปทำขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตตารูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น รำมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญาสัตยพรมสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตสมุทฐานรูป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 และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนาปัจฉาชาตะปัจใจหา้สาสิบสาสภ า, าวาธจจรๆๆจจๆๆรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาปัจฉาชาตะปัจจัยเพราะนาอาเสวนปัจจัยนากรรมะปัจใจห้าสิบสี่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัค ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเพราะนักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสามเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสามทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่ เจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าสห้าสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมรรคบื้อบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ และทําหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามธรรมสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามธรรมขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและธรรมะทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น นาวิปากับปัจจัยเป็นต้นห้าสิบหกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักทมสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาวิปากับปัจจัยนาวิปากับปัจจัยเป็นต้นบริบูรณ์แล้วไม่มีปฏิสนธิเพราะนาอาหารับปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสัญญาสัตพรม เพราะนาะอินทรยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธานที่มีอุตุเป็นสมุธานสำหรับเราอสัญญสัตยพรมรูปปัจจิวิตินสีท ร, รมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณนะชาณปัจจัยได้แก่ปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกสำหรับเราอสัญญสัตยพรมเพราะนะมคาปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฐานรูป ทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุตุระซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักบื่งบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอะเหตุกตุระทมาหาภูต ร, รูปหนึ่งสำหรับเราอสัญญัตธพรมเพราะณสัมปยุตตาปัจจัยเพราะณวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักในอรูปาวจรภูมิ ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานสำหรับเราอสัญญาสัตยพรมเพราะโนนัติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจยะปัจจนียส สังคยาวาระห้าสิเจ็ดนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอธรรมณะปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณัุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระณอเสวนาปัจจัยมี17วาระนกรมปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยมี17วาระณอาหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสมวาระ โนนัตถปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระปัจจนยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนยะห้าสิปดณอารมณะปัจจัยกบเพทุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีส7เจดวาระณอนนตรปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเจวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมี17วาระนอาศัยวะนปัจจัยมี17วาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมี17วาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระ โนนติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมปัจจนียะจบสปัจญยปัจนญาอนุโลมห้าสิบเก้าอารมณะปัจัจกับนเฮตุปัจัยมีเจ็ดวาระอานันตระปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระ อัญญมัญญะปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปานิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจัยมีเจดวาระอาเสวะนปัจัยมีเจดวาระกรมปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระชานะปัจจัยมีสองวาระ มัคคปัจจัยมีหกวาระสำปรยุตตะปัจจัยมีเจดวาระวิปยุตตะปั จ, จัยมีเจดวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัธิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระพึงนับอย่างนี้ปัจนียานุโลมจบปัจญยวาระจบ พึงทำนิสยวาระให้เหมือนกับปัจยวาระ 8. ทัศเนนะปหาตภ ะ, ะติกะหสังสัทธวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระ เหตุป ah so ัจจ ah so ัย60สสภาวธรรมที ah so ่ต ah so ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดรกนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกนกับขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักขันสองเกิดรกนกับขันสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเกิดรกนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาเกิดรักคนกับสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสในปฏิสนธิขณะ ขัน ส, สามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอารามณปัจจัยสิอสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดรคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเพราะอารามณปัจจัยพื้นขยายทุกบทให้พิสดารมีบทละสามวาระ 1. ปัจญานุโลม 2. องฉังขยาวาระ หกเฮตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสะชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปปจัยมีสามวาระ อาเสวณะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระ นัติปัจใจมีสามวาระวิคตะปั จ, จัยมีสามวาระอวิคตะปัจใจมีสามวาระอนุโลมจบสองปัจยะปัจญิยะหนึ่งวิพังคาวาระนเหตุปัจใจัยสสาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดรกรวกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเพราะนเหตุปัจใจได้แก่ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดรกรกขันที่สหรตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื <|so|> ้องบนสาเกิดรกรกนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรตด้วยอุทจฉาเกิดรกรกนกับขันที่สหรคตด้วยอุทัจฉาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมักและมักเบื้องบนสาม เกิดรคนกับสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเพราะนา่ะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาในปฏิสนทิขณะที่เป็นอเหตุกตระณ่อธิปติปัจจัยเป็นต้นห4สสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เกิดรกรกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณบุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจชาชาตปัจจัยเพระะาะณอเศวณปัจจัยเพราะณกรร ม, มปัจจัยเพราะณวิปากปัจจัยได้แก่และถึงเกิดรคนกับสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ปัญจวิญญาณ เพราะนคัคฆาปจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอเหตุุกะสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเพราะนะวิปยุตตะปจจัยมีสามวาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังคยาวาระ65นะเหตุปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีสามวาระนะปุเรชาตะปั จ, จัยมีสามวาระ นปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระณอาศวนาปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิบากปัจจัยมีสามวาระณาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปุยตตะปัจจัยมีสามวาระปัจจ尼ยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะหกสหก นอธิปฏิปัจใจกระเพถุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยละถึงมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระนอเซวนาปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบสี่ ปัจยะปัจญิยานุลมหกสิเจรัมะนะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจยและถึงมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญะมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจัจมีสามวาระ อาเศวณะปัจจัยกับนาเหตุตกปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยละถึงมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสำประยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระ นัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระปัจจ尼ยานุโลมจบสังสัทธวาระจบ ทัศนีเนปหาตพัติกะ 6. สัมประยุตตะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นหกสิบแปสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักสำปรยุตเขบสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสำปรยุตตะวาระเหมือนกับสังสัตถวาระ 8. ทะัศนีเนปหาตัพัติกะเจ ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหกสิเกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องผลสามโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทาเนรูปโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องผลสามโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย70สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสาเหตุที่ต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสเป็นปัจจัยแก่จิตตสโมทานุรูปโดยเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสาเหตุที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเหตุที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สัมพยุจจขันและกะตาตารูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยเจสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น โทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นเพราะปราลบวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสามโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิต ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยทถาคำมืปัขญาณอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัย 72. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม โดยอารามณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิเพลิงราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเพราะปรารบความยินดีเพลเพลิงราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบอุทัจจะอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น เพ ร, ราะปราลบโทมนั์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโทมานต์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคโดยอารมณ์นะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้น ราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัณฑ์จึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัณฑ์จึงเกิดขึ้นเพราะปรารบอุทัจจะทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัณฑ์จึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนัตที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามธอมนัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัณฑ์จึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิคิชาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสามโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลทที่เคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้พรอมด้วยจิตที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาด้วยเจโตปริยญาณขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขญาณอนาคตังสญาณและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัย เจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโดยอารมะนะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะ ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพานนิพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอวชนะจิตโดยอ ร, รมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตคานะทิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโทภทพะหาทายวัตถุ ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสาด้วยเจโตปริยญาณอากาสา น, านาัญญาตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญญาตนะอากินัญ ญ, ญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาะสัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยอารมณะปัจจัยโพธายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณะปัจจัยขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสตติญาณยะถาคาโมปขยาน อนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลงผู้สล น, นั้นเพราะปรารบความยินดีเพลิเพ ล, เพลงผู้สล น, นั้น ราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วยินดีเพล่ดเพลินฌานเพราะปรารุความยินดีเพล่ดเพลินฌานนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทิฏฐิวิจิกิจฉาเมื่อฌานเสื่อม ธมณัติที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนยินดีเพลิดเพลินจากสุยินดีเพลิดเพลินโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะหาทายวัตถุขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเพราะปรารคความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก พิธิวิชิกิจจาโทมนัสที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสโดยอา ร, รมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถและยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้น ราคาที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารได้มักเบื่องบนสามจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทายวัตถุขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคาที่ต้องประหารได้มักเบิงบนสามจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนั์ที่ต้องประหารได้มักเบิงบนสามจึงเกิดขึ้น